ท่านผู้ที่สนใจฝ่ในศีลในธรรมทุกๆท่านเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปก็จะกล่าวทำมีคาถาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญา ให้เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมสมควรแก่การประพฤติปฏิิธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปวันนี้ก็จะพูดเรื่องบารมีสามสิบทัศข้อที่เจสัจจะบารมี สัจจะนี่หมายถึงความจริงจังจริงใจจริงๆทําอะไรแล้วก็ต้องทําจริงๆคือต้องมีสัจจะเห็นไหมบางคนเขามีเครดิตก็จะทาอะไรก็ได้จ่ายเงินก็ได้ไม่จ่ายเงินก็ได้เขามีสัจจะเขามีเครดิตคือคนเขาเชื่อถือเชื่อด้วย มาจากเขาศรัทธาที่เขาศรัทธากะเพราะเรามีสัจจาว่าไม่เบี้ยวเขาแน่ไม่โกงเขาแน่ไม่ยักยอกเขาแน่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราไปทำผิดสัจจานี่ความเชื่อถือทั้งหมดที่เรามีอยู่มันก็จะล้มเลยล้มล้วในานากเลย คือเขาไม่เชื่อเราอีกแล้วพูดง่ายๆฉะนั้นสัจจะบา ร, รมีนี้จึงเป็นบา ร, รมีจะไปพูดจาเขายืมเงินใครไปแล้วแต่ในสมมติสมม ต, มมติเดือนหนึ่งผมจะต้องเอามาคืนสมมุติสองเดือนก็แล้วสมเดือนก็แล้วหเดือนก็แล้ว บางคนเจอเจ้านี้แทนที่จะทักกายเขาดีๆอูตจาดีๆผัดตอนเขาดีๆไม่หลบหน้าวูกเลยอย่างนี้มันก็แสดงออกถึงการกระทาที่ไม่เหมาะไม่ควรเราเจอหน้าเขาก็ยกมือไหว้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับลุงพี่ป้านะอนะไรก็ว่าไป เงินที่ผมยืมไปผมจะผ่อนใช้นะครับ อ, อย่างเงี้ยพูดแค่นี้เขาก็ดีใจแนละ้วเขายืมเราไปพันหนึ่งก็ผ่อนล้วเดือนละร้อยกันโอ้ยบุญแล้วดีกว่ามันไม่ใช้อ่ะดีกว่ามันไม่ผ่อนไปฟ้องล้องกันก็นมันก็ไม่คุ้มไปเสียค่าทนายเสียเวลา จยางมากจับเขาติดคุกก็ไม่กี่วันพันหนึ่งเนี่ยสามวันสี่วันก็ปล่อยออกมาละก็เรียกว่าไปติดคุกแทนเงินจากนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะก็คือมีศีลมีธรรมนั่นแหละจะทำอะไรก็แล้วแต่เราอ้างเองเอาศีลธรรมนำหน้า บุคคลนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถึงแม้จะไม่มีใครเห็นผีสามเทวดาเขาก็รู้เขาก็เห็นฉะนั้นเราต้องโดยเฉพาะนักปวดเราเนี่ยต้องมีสัจจะกับตัวเองจังแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิ กอ น, นอนวันละสิบนาทีสมมุติถึงแม้จะกลับไปบ้านเราก็ทำได้ส0บนาทีย0สบนาทีถ้าใครทำได้อย่างนี้ตลอดชีวิตนะชีวิตบุคคลนั้นจะเป็นเทวดาถ้ามีครอบครัวก็เป็นครอบครัวของเทวดาอยู่กันแบบมีความสุข มีความทุกข์บางแต่ก็น้อยอยู่กันด้วยศีลด้วยธรรมเข้าใจกันเห็นใจกันรู้ใจกันทูกใจกันเนยะมันก็อยู่กันได้มนุษย์นะมนุษย์แต่ว่าผู้มีใจสูง ฉะนั้นผู้ที่จะมีใจสูงได้ต้องมีศีลห้าเบื้องต้นเลยศีลห้าธรรมห้าเนี่ย้อที่หนึ่งก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดฝึกไปเลยตลอดชีวิตข้อสองก็เว้นจากการลักขโมยของคนอื่นเขาเราอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาอยากได้ล้วไปหาเอาด้วยความชอบธรรม ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย น, นเราก็อย่าไปย่งริงสามีพญาคนอื่นเขาถึงนั้นเราจะมีอำนาจวาสนามีบุญบา ร, รมีมากกว่าเขาแต่เราก็อย่าไปทำในสิ่งที่เป็นผิดศีลผิดธรรมก็เรียกว่าธรรมชาติมันจะลงโทษเองไม่ต้องมีใครลงโทษลงธรรมชาติ ใครทำดีธรรมชาติก็ให้ผลใครทำชั่วธรรมชาติาก็ให้ผลเหมือนกันคือเสียเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมะฉะนั้นเราต้องมีสี่ห้านี่อย่างน้อยกอที่สี่ต้องโกวิพูดโกหกพูดสอเสียด พูดเพื่อเจอพูดกับหยาบเราก็ระวังอ่ทางกายทางวาจาเนี่มันหยาบมันระวังได้เนาะแต่เราระวังได้เนี่ย7จ็ดขอ้อนี่เสียงท่อถ้าเป็น คุณสวนกรรมบทก็เจดข้อแล้วกายกรรมสามจีกรรมสี่เป็นเจ็ดแล้วต้องรักษาตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะมารักษาอยู่เฉพาะเรามาบวชมาปฏิบัติเท่านั้นก็หาไม่พิดชยัยแล้วก็ประโมกโลกมาก อยากเอาของคนอื่นเขาพุ่ ง, ง่ายแต่ยาบาทนี่ก็โกรธเกลียดอาฆาตเกลียดแค้นเขาเห็นไหมมันไม่ดีทั้งนั้นเลยเป็นอกิสุ้นลกรรมบทขรอที่สิบก็มิจฉาทิฏฐิเลยความเห็นผิดจากํานองของธรรม เห็นผิดอย่างไรเห็นผิดว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอะไรประมาณเนี้เห็นผิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มีนิพพานไม่มีอะไรประมาณเนี้เห็นผิดว่าชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีชาติที่แล้วไม่มีอันนี้ก็จัดว่าเห็นผิดเหมือนกัน ตราบใดวันเมื่อวันนี้มีชาติที่แล้วก็ต้องมีโดยสมมุติเทียบเคียงให้ฟังตราบใดวันพรุ่งนี้มีชาติหน้าก็ต้องมีตราบใดวันนี้มีชาตินี้ก็ต้องมีเห็นไหมสมมติเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับบางท่านบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษ ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็ที่สิบเนีร้ายที่สุดนะถ้าเห็นผิดแล้วข้ออื่นหมดเลยผิดหมดเลยความเห็นมันผิดไปแล้วเนะีเห็นผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดผิดไปจนเป็นลูกโซ่เลยแนละไม่มีถูกดันกนั้นเราก็ต้องมีสัจจะกับตัวเอง รักษาศีลให้มันได้ห้าขอ้อสมมุติถ้าไม่ได้ก็เอาสักขอ้อสองข้อไปอยางดีนะเอาสมมุติเลยข้อไหนก็ได้เลือกเอาเลยในห้าข้อนี้แต่เรารักษาไม่ได้ทางห้าขอ้อเอาสักสองข้อสามขอ้ออย่างน้อยให้มันมีศีลเป็นพื้นฐานของจิตจิตตรงนี้ก็จะ ค่อยๆมั่นคงไปศิลนี่ลองรับสมาธินะถ้าสินไม่ดีอย่าไปหวังเลยว่าจิตจะเกิดสมาธิเป็นไปไม่ได้เลยเป็นอาถาระเปรียบเสมือนต้นไม้มาขึ้นบนผืนแผ่นดินถ้าไม่มีผืนแผ่นดินต้นไม้จะขึ้นได้ยังไงต้นไม้ก็เปรียบเสมือนสมาธินั่นแหละพอมาขึ้นแล้วมันก็ แต่ริงก้านสาขาให้ผลนั่นแหละเขาเรียกว่ามรรคผลนรมันต้องมีเหตุมีปัจจัยแต่ศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็ดีปัญญาดียานอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ถูกต้อง ถูกต้องถ้าถูกต้องมันก็จบไม่มีอะไรคือมันเห็นถูกซะแล้วเองศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยราต้องอ่านหนังสือหลายๆเล่มเทียบเคียงกันโดยเฉพาะหลงปู่พุท ธ, ธาทาสเนี่ยควรอ่านให้มาก ท่านปัญญายเข้าใจง่ายสำหรับผมนะอ่านเข้าใจง่ายนลยท่านอื่นๆก็ดีดีเหมือนกันแ่อาจจะเข้าใจไม่ไม่เท่าเทียมกันก็เป็นธรรมดาของจิตสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะขนาดนิ้วมือมันยังไม่เท่ากันเลยไหนดูดิอ่าเนิ้ว บัวก็ต้องมีทั้งสี่เหล่าไหมเห ล, mm. ล่าที่หนึ่งก็พร้อมที่จะพูดขึ้นเลยอุกติตันยูเหล่าที่สองวิปติตันยูเน้่โอ้ต้องสั่งต้องสอนต้องแนะต้องนำต้องโกต้องลงกันมีโอกาสที่จะบรรลุทำได้อย่างที่สามนเนยยะโอ้ต้องลากกันไปเลยวันทีเดึงยันหัวขาดยังไม่ไป ยิ่งปิะทะประมะด้วยละตกเป็นอาหารของเต่าของปลาอุปมาเหมือนบัวสีเหล่านะจะ้นเราอยู่ในเหล่าไหนเราก็นึกตัวเองแต่ฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมรู้เรื่องธรรมปฏิบัติธรรมมันก็ได้อะมาผลนิพพานอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆเนี่ย อย่าติด ใ, ใจเลาได้ใจราดับไม่ปรุงแต่งไม่ผสมกับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนตัวก็แล้วแต่เราไม่ไปปรุงแต่งต่อมันจะโลภอะไรเราก็ไม่เอาไม่เอากับมันคือจิตมันปรุงไปแต่เราไม่เอากับมันมันจะโกรธก็จนจะตายแล้วก็ก็ไม่ทําไม่ทํา ไม่ตามใจจะหลงขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่หลงเพราะเราเรียนรู้ในธรรมะปฏิบัติทุกเจ้าคำทุกวันอย่าเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นกว่าบางคนบางคนก็น่าสงสารเกิดในไทย นับถือพุทธศาสนาโบราณว่าบ้านใกล้ท่าไม่มีน้ำกินช่างปั้นหม้อ ด, ดินไม่มีหม้อใช้เลี้ยงไก่ไม่ได้ยินเสียงขันอยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าสิ้นในวัดอันนี้เป็นปริศนาธรรมบ้านใกล้ท่าไม่มีน้ำกินก็หมายถึงบ้านใกล้วัด อยู่ข้างๆวัดบางทีไม่เข้าวัดเลยมันมีเกือบทุกวัดเท่ตาที่สังเกต ด, ดูเนี่ยวัดเราก็มีสังเกต ด, ดูบ้านใกล้วัดไม่เข้าวัดก็เรกว่าบ้านใกลต้ตาไม่มีน้ำกินช่างปั้นหม้อ ด, ดินไม่มีหม้อใช้ก็หมายถึงผู้สอนสอนแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่มีธรรมะเลย อารมณ์ทำไม่มีเลยสมมุติสมมุติมมตแม่ไก่ทาไม่มีน้ำกินช่างปั้นโม ด, ดินไม่มีโม่ใช่เลี้ยงไก่ไม่ได้ยินเสียงขันก็หมายถึงพระเนนเราเนี่ยที่ญาติโยมเลี้ยงไว้ทุกวันทุกวันเจสเทโยฟังก็ไม่ได้เลยสมมติไม่ได้สมมติปุูตุตรงน อันนี้ก็สำคัญนะพวกเราต้องฝึกเทศบ้างฝึกพูดบ้างอะไรบ้างพอได้เราจะช่วยกันเทศเน่อย่างอาจารย์ม่อนก็ช่วยหลวงพ่อได้เนี่ยช่วยเทศด่านบริวาดเทศได้ถ้าฝึกมันได้ทุกองค์ครับมันมมันอยากเย็นอะไรเพียงแต่ต้องหัข้อทําให้ได้ก็อ่านหนังสือธรรมะเยอะ อานนิทานตามบทบ้างอะไรบ้างมันก็พูดได้พูดให้โยมเข้าใจแค่นั้นนะคุณเลยเรู้จักดีจากชั่วคูณเลยเรู้จักผิดจากถูกกูณเลให้เขรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรแค่นี้อย่าวน้อก็เป็นแสงสว่างเป็นปัญญาสองทางให้ญาติโยมได้สว่างตา ด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมมืดภายนอกเพราะขาดไฟเนี่ยปิดไฟเราเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะฮะมืดภายในใจเพราะขาดศีลขาดธรรมบางคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆอ่ะมีหมอหมอฝังเข็มเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรนะอิสลามผู้หญิงบอกเดี๋ยวหนูจะศึกษาพุทธศาสนามงางพอดีลูกดี ศึกษาไปเพิ่มันไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าดีมันจะจะมาศึกษามันก็ยังดีนะกวางเขีมนว่โหวันหนึ่งสี่สิบคนห้าสิบคนคนละสามร้อยเนี่ยคูณกันไปเท่าไหร่และค่ายาอีกแหละค่ายาบางบางคนก็หมื่นกว่าบาทบางคนก็พันสองพันสามพันคิดละวันหนึ่งก็มีไรายได้เป็นหมื่นนะ สิบวันเป็นแสนเดือนหนึ่งเป็นเท่าไรสามแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยพวกพอพวกแพดเนี่ยมีไรายได้ดีนะบางคนมีชื่อมีเสียงรักษาเขาให้หายเราก็เหมือนกันพูดในโยมฟังแล้วให้เขาได้หายทุกข์ายโศกหายโรค ห, หายภัยหายเคราะเสด็จจังเลยโยมเขาก็เรื่อมใสศรัทธาเขาก็อยากมา มาทำไมก็มาอยากประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยแหละอยากฟังธรรมมาฟังธรรมพอ ก, กลับไปเขาก็อ๋อเข้าใจแล้วอะไรประมาณเนี้เราก็จะได้ช่วยกันเผยแพ่ พ, พุทธศาสนาขออำนวยวยพรจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขอรรถอติพานธนะสารให้ได้ทรัพย์สมบัติให้ได้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติให้ได้สวรรค์สมบัติให้ได้นิพพานสมบัติ โดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอทสาทุษา